เหลือพระรอดมาทาวัดอยู่สิบรูปโยมบาศกหกเมชีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอยโยม่ีกจำนวนหนึ่งในนี้ใครล้างสารพิษมั่งยกมือที่ล้างสารพิษแล้วนั่งอยู่ที่นหน ย, ยกมืออันนี้ไม่ล้างอ่ะล้างละ่ะ ไม่ล้างอ่ะคนมายงกองทัพบกุกวัดป่าสุกโตโอ้พระห้าหกสิบลูมล้างสารพิษรับ า, าตั้งค่า ห, หัวไว้ว่าให้ล้างสารพิษพระหัวละหนึ่งพันบาทจำนวนหลายลูกจะเป็นสปอนเซอร์ฮะเพราะเห็นว่ามันมีวยอดเยอยอ mm hmm. ก็เลยให้พระ โดยเฉพาะปลที่เป็นพระกรรมฐานแต่ละคนในหน้าตาดูไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะีอืดชึงโยมเลี้ยงดู ด, ดีเกินอาหารกด็ดีดีด้วยกันะไม่ฉันก็ไม่ได้นั่งจองหน้าเห็นฉันก็หนูเลยเห็นฉันก็โยมเลยเอาก็ไปยุคหนึ่งกันมาก็ไปอย่างนั้นะอ้วนนี่ลดไประเขียวมาเลยทั้งตัว หรือแต่หนังหุมกระดูกเดี๋ยวนี้เมื่อกี้หลวงพ่อคำเขียนนอนอยู่กับความเป็นปกติสบายใจเฉยไม่มีตัวตนบัดนี้เป็นบัดกรรมฐานหลวงพ่อเขียนสร้างวัดสร้างวามาคนเข้ามาก็ะกอบกรรมฐาน ท่านก็นเลยอยู่กับกรรมฐ า, านของท่านไม่ได้เกี่ยวเรื่องอื่นส่วนตัวส่วนตัวถตาใจฉากรฉาแบบเนี้นะคนอะไรไม่สแสดงความทุกข์ให้เห็นเลยฝนจะตกแดดจะออกไม่เห็นเดือดร้อนกับใครวันนี้ก็อาบน้ําง่ายๆท่านทําให้ดูอยู่ตลอดนะดูเลก๊อกน้ําเปิดก๊อกแก๊ก ก, ก๊อกแก๊กอาบน้ำอยู่ตรงนั้นแหละ นอนเรียบร้อยแล้วจำวัดจำวัดก็หมายถึงว่านอนอย่างมีสตินะจงกรมหมาถึงว่าเดินอย่างมีสติเียรือจงกลมหรือ ว, ว่ารับประทานอย่างมีสติแล้วเรืววาฉันไครที่เราเก็บหลงกันนะมาเก็บแบบ น, น, นี้แล้วมีสติตกับทุกๆ ก, กิจกรรมก็ยังมานึกนะโอ้สุขภาพกายนะทำไมคนในความสําคัญเงินมาก กรรมฐานเข้มพระก็จะมีหล้อมแหลมไม่กี่คนนะในสมก็ฟอมโตในสายงานจริงๆมันอย่างนงี้เก็บกรรมฐานเข้มนะก็คือพระครูบาอาจารย์ก่อนเข้าพรรษานะจะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมหลังจากที่ไปโช อ, อฟมาเต็มที่แล้วตั้งแต่ออกบรรษาก่อนเข้าพรรษานะสักสี่สิวันมาชาร์จแบตเตอรี่หน่อย ไอ้ที่เราสอนสอนไปเนี่ยมันออกไปหมดหรือเปล่ามันรู่วหรือเปล่าเสร็จแล้วก็จะมารวมตัวกันครูบาอาจารย์เพื่อที่จะเรียกว่าดูแลกันอาจจะมีอาจารย์ที่ไล่ความเคารพในสภาวธรรมที่ท่านอยู่สูงสุดอย่างงี้นะตัดกรวยดูแลตรวจสอบสอบอารมณ์ของเราว่าเออเป็นยังไงคงเส้นคงวาหรือว่ามันออกไปหมดแล้ว ตัวสตินะฮะมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะนั่งคัดภาษาต่ออีก3เดือนมีการประชุมกันในสายงานว่าที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง<ม>การที่เราออกเผยแผ่กัะนะมีความสําเร็จยังไงไม่มีความสําเร็จยังไงจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนจะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรงแม่นบอลองประกอบ ขับอยู่หลังมันอย่างนี้จริงๆอ่ะแม่ก็รู้มาเคยเกี่ยวข้องอยู่ถึงมีเรื่อง ว, ว่าเก็บอารมณ์เข้มกรรมฐานเข้มสี่สิบวันนย่เสร็จแล้วก็ตอนหลังเอามาไว้ที่นี่เป็นเรื่องของใคร่ามาก็มาไม่มาก็ตามใจครูบาอาจารย์ไม่มีมาเลยเพราะกลัวด้วยอำนาจของหลวงพ่อขมขียนสภาวธรรมท่านสูง ท่านปล่อยแบบก้ามฐานเข้มจริงๆคือทำมาเองเดียเข้มนมาทำมาเองศรัทธาเองแกอามณ์ในตัวของตัวเองแหละเข้มปากฏว่าวันนี้พระไปอีกไปกันสี่ห้าโลกแล้วพระทั้งหวันทนะั้งๆที่มีน้อยแล้วยังไปอ่างนั่นอ่างนี่อ่างโน่นน้อยอามาบอกทานศีลภาวนาภาวนานไดยน้อยที่ไหนมีภาวนาภาวนาได้เยอะอ แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่ดึงเข้ามาอาจจะเป็นสปายยาที่เป็นศาสนบุคคลหรือว่าเป็นเรื่องของศาสนสถานอย่างกุฏิสลาที่นี่มันเกิดจากกรรมฐานว่าคนส่วนใหญ่ไปฏิบัติธรรมแล้วก็เกิดอารมณ์บุญขึ้นมาอย่างกุนอีทเนี่ยอย่างเงี้ยเกิดอารมณ์บุญขึ้นมานะี่ยบีอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมเราเห็นว่าเออมันก็ น่าจะได้ประโยชน์จากคนที่มาปฏิบัติแล้วนะก็ปลูกก็สร้างกันไว้แล้วเราก็มาใช้กันอย่างเงี้ยนะเออคุ้มค่านะเป็นเรื่องกรรมฐานกุฏินะ่ะในความรู้สึอถ้าจะแจกให้กับคนนะกรรมฐานก่อนทุกคนมาด้วยกรรมฐานนะสมควรให้อย่างยิ่งนะควรรับทักศินาทานนะคือเป็นลักษณะของบุคคลที่ต้องการพัฒนา จ, จิตใจของตัเองไปสู่ความพ้นทุกข์ อันนั้นเป็นหน้าที่หลักของเราจริงๆชีวิตมนุษย์ทุกๆชีวิตเราก็ทําไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันก็เพราะเรื่องแบบนี้คนจะมาดีกาลังจะไปดีเนือเกิดเหนื้อแก่เนือเจ็บเนือตายสนับสนุนจะได้มีหมู่มีมิตรมีเพื่อนกันเป็นโยมป้องกันพระโยมช่วยป้องกันวัดเกื้อกูลสนับสนุนอุทาหุณถธรรมศาสนาก็จเจริญเห็น ไ, ไหมทานนี่คนจะมากันเยอะ ศีลนี่นิดหน่อยหรือศีลกินเจภูเก็ตอย่างนี้นิดนหน่อยยงกรรมฐานเนี่ยไปดูอัตตาทีเนี่ยน้อยมากการฟังสุดตากัญญาเนี่ยเยอะนะฟังเพศฟังธรรมเนี่ยเยอะแห่กันไปภารูปไหนดังแ่ไฟังกันแม่ยกเนี่ยการคิดการนึกในส่วนที่เป็นจิตดีจิตกุศลจิตตาเป็นัญญาจิตฉลาดแบบโลกโลก อันนี้ก็มีเหมือนกันก็เกิดแนวคิดมุมมองแบ่งปันกันมากมายเหลือเกินจนเกิดลักษณะของสื่อต่างๆหนังสือนังหาหรือว่าเกิดจากจิตใจที่เป็นบุญรต่างการให้กับคนที่เขาทุกข์อยู่ได้รับรู้เรื่องราวความดีความงามจนทั้งไท้ายสุดในเรื่องภาวนาน้อยคือคนที่เห็นความจริงจริงๆน้อย ยังไงยังไงก็น้อยละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวส่วนตัวที่จะสนใจใส่ใจแล้วก็ใช้รูปแบบปฏิบัติที่มีอยู่ในโลกนะั้มากมายวัดป่าสุขตัวเป็นเพียงแค่หนึ่งใน5วิธีอีก4วิธีที่สามารถเผยแผ่ได้กว้างขวา ง, วางทั่วโลกเป็นที่ยอมรับนันแต่ว่ามันก็มีคนมาจำนวนหนึ่งเพราะนั้นบอกได้เลยคนที่มานั่งอยู่นี่นเป็นคนมีปัญญาทั้งหมดนั่นะ มีบุญวาสนามีอาธิวาสนามีกรรมสัมพันธ์มีธรรมสัมพันธ์ที่มันพร้อมแล้วที่จะเดินทางยิ่ ง, งขึ้นไปหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกับหลวงพ่อครูบาอาจารย์ที่ท่านพยายามพูดพยายามชี้พยายามบอกเทศนาธรรมเททําที่มีอยู่ในตัวท่านจิตสู่จิ ต, จจตถ้ารู้สู่ถ้ารู้ธรรมสู่ธรรมวเราก็เป็นภานะทองรองรับรรมาลดทันที มันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะนั้นไม่แปลกยิ่งลงมือตะลุยปฏิบัติธรรมจนเหมือนกับว่าอารมณ์ปฏิบัติมันเกิดขึ้นมาสดๆเป็นปัจจุบันให้เราได้ผ่านอันนี้ก็ต้องเรียกว่าใส่กรอบไปสักนิดโอ้ดีมันดิ้นเลยแหละไอ้ที่ดิน้นคือกิเลสนะกิเลนเป็นเหตุแห่งทุกข์ความโลภความโกรธความหลง มันเกิดจากอะไรเกิดจากการปรุงการแต่งการปรุ ง, กา ร, งการแต่งเกิดจากอะไรก็หลงก็เป็นในความคิดอย่างเนะทำไมทั้งหลงก็เป็นในความคิดก็าไม่รู้สึกตัวอันนี้ไม่จะพูดเข้าข้างตัวเองนะไม่ได้พูดไปให้ดูดีอะไรแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆทีแรกก็ไม่ได้เชื่อหรอกว่าแค่เคลื่อนไหวหกายนะแล้วมันจะเกิดการเห็นความคิดขึ้นมาจริงๆมไม่เชื่อ ความคิดปฐพีไม่คิดได้ยังไงไม่ใช่คนตายเนี่ยคนเป็นยังไงก็ต้องคิดมีลูกก็ต้องห่วงลูกมีหลานก็ต้องห่วงหลานคนแกๆ่ๆรักหลานมาฝารกักลูกได้ซ้ำไปเห็นละมีบ้านก็ต้องห่วงบ้านมีงานก็ต้องห่วงงานมีอะไรมันก็ต้องหลงไหลสิ่งนั้นธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นคุณเป็นค่า มันมีค่าก็คือเราหลงเราไม่รู้นะไปยึดมันมีมันมีค่าแล้วก็เรามันระวังพยายามที่จะให้มันอยู่กับเรานานๆอะไรที่มันดีอะไรที่ไม่ดียยามหาทางออกไม่าห่างตัวไม่ชอบคนไหนเขาไม่ห่า ง, างเราแล้วก็เดินหนีเขเองไม่ชอบลักษณะแบบนี้เราก็ไม่เข้าใกล้แบบนี้เราชอบแบบไหนเราไปหาแบบนั้น มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็หลงไปนั่นแหละหลงไปพอใจหลงไปไม่พอใจท้ายสุด อ, อ้าวเฮ้ยมันเกิดจากความคิดนี่นะหลงจนกระทั่งเหมือนกับว่าทำไมเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยล่ะเนี่ยพอมีคำว่ารู้สึกตัวนละ้วมันเห็นเลยว่าอ้อ มันมีความจริงอยู่ตรงนั้นจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเราชอบทำอะไรตามใจวันนั้นมารู้จักคาว่าความรู้สึกตัวเนี่ยประมาณปี2526้ยิกได้ยินคำว่าความรู้สึกตัวตอนนั้นหลงนะหลงแต่งตัวหล่อล อ, อายุประมาณ21หลง หลวงว่าเรียนให้รู้เยอะๆดิเรียนยังไงที่เร า, ารู้เยอะๆศิลปะคณิตศาสตร์ภาษาดนตรีกีฬาเรียนให้มันรู้เยอะ ๆ, ๆอะไรที่มีให้เรียนเรียนหมดให้มันมีศิลปะไว้ให้มากที่สุดชีวิตคิดว่าอย่างนั้นคิดว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่ หลายคนอยากไปกันสมัยก่อนหยุดภาคตะวันออกอยุธยองมองเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเป็นจังหวัดที่น่าสนใจดอกไม้สวยสา ว, ส, าวสวยอากาศดีสังคมดีผู้คนจิตใจงดงามหวังว่าวันหนึ่งจะไปเรียนที่นั่นคิดเอาไว้ในใจก็จริง อ, อะไรมากมายเหลือเกินเคยคิดว่าจะไปเรียนที่กรุงเทพนะ พอเข้าไปสมัครแต่โอ้โหเนี่ยแหละกรุงเทพแต่แบบร้นอนอย่างนี้มองไปไหนไปไหนไปไหนหันซ้ายหันขวามไม่เหมือนกันหมดเลยเแล้วมองจะไปไหนถูกเลยอย่างไงบ้านนอกเข้ากรุงเป็นแบบนั้นพอไปสมัครเสร็จปั๊บตีรถเลยกลางคืนพอสมัครกลางวันกลางคืนตีรถลงขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ดีกว่าลองไปดูนั้วเป็นยังไงไปตามใจตัวเองเลยแหละ วันที่ไปได้ยินกำว่าความรู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกแปลกพระรูปนี้พูดแปลกก็คือหลวงพ่อมเขียนนะถูกนิมนต์ไปเออทำไมเสียงท่านพูดเนี่ยนุ่มนวลจังลักษณะบุคลิกเนี่ยสุ ข, ขุมรอบคอบแต่ท่านบอกท่านจบป .4 ท่านบอกจบป .4 ี่อไม่รู้อะไรนะ แล mm. ้รู้สึกตัวร mm. ู้รู้จักความรู้สึกตัวเราก็เอออะไรกัน mm. เนี่ยลองขยับนิ้วรู้สึกซิไม่ใช่สิบสี่จังหวัดเดินะถ้าคนเหนือไม่ยอมรับหรอกสิบสี่จังหวัดคนเชียงใหม่บ้าบุญกล้าพูดอย่างนี้เลย mm. เพราะว่าไปพาปฏิบัติทางเชียงใหม่อยู่เหมือนกัน mm. เขาก็จะทําบุญทําทานกันเยอะ mm. สวยการกราบการไหว้การแต่งเนื้อแต่งตัวดอกไม้นะกินขาดว่าถ้าทประเพณนนี้ทางไหนทางไหนก็คงจะสู้ไม่ได้แล้วผู้คนก็ส่วนใหญ่ใจเย็นมีน้ำจิตน้ำใจมากๆแต่ว่ายกมือมันไม่ขึ้นนะาพาปฏิบัติพุทธเรื่องฟังรู้สึกว่าเดีย๋ยวจะเดินลงไปทีละคนสองคนละจะเดินออกไปทีละคนสองคนตะกุยเรื่องอื่นอไว้นั่งฟังกันเป็นวักเป็นเบ ตะกุยเรื่องอารมณ์ปฏิบัตินี่อยู่ไม่ได้เลยละร้อ น, นไม่รู้เรื่องแต่วันนั้นฟังหลวงพ่อเกียนะฟังรู้เรื่องฟังที่ยังใหม่ฟังรู้เรื่องให้รู้สึกตัวนะปรากฏว่าใจมันสบายสมองมันโล่งเลยแค่ครึ่งชั่วโมงนะมีความเสือ่อมทำไมันแปลกดีฮะในขณะที่เรากําลังเรียนรู้หลายๆวิชานอกตัวแต่วันนั้นได้รู้อีกตัวคือรู้สึกตัว เหมือนแค่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อเขียนท่านเลยไหวฟังๆอยูน่นะไหฟังท่านไปสอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นสถาบันศึกษาอยู่ที่หนึ่งทีนี้ขณะที่นั่งพูดอยู่เนี่ยก็มีฝรั่งคนหนึ่งลุกขึ้นยืนแล้วก็ชี้หน้ามาถางหลวงพ่อนี่ท่านกำลังมาสอนอะไรเนี่ย ห้องประชุมหลวงพ่อก็บอกอาคูนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงให้นั่งลงอย่าลุกอย่ายืนนะอันนี้เป็นว่าธรรมชาวพุทธถ้าจะคุยกันก็นั่งลงก่อนท่านมาสอนอะไรเขาก็นั่งแล้วก็ถามเรามาสอนให้รู้สึกตัว รู้สึกตัวเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยทำเป็นไหมรู้สึกตัวเนี่ยไหนอมือกำสิแบสิเนี่พิกคว่ำพิกหงายสิเอามากระทบกันสิเนี่ ย, ยรู้สึ ก, กรรไหมกำไว้ด้านหลังกําละแบเกำละแบรู้รรรรสึกไหมรู้กับนะี่ยทำไปอีกทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวทำเราอีกฟัง ปรากฏฝรั่งทำไปสักพักหนึ่งเออมันก็เข้าใจนะความรู้สึกตัวนะภาษาฝรั่งเรียก awareness awareness แต่เป็นการเคลื่อนการไหวของกายก็ body movement เงียเวลามีความคิดก็ติ้งกิงมีความคิดเรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวของกายฝรั่งมาขอเช็คแฮนด์โอ้เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ สอนเรื่องความรู้สึกตัว <Yeah. S 1> ของพ่อเป็นต่อ <Yeah. S 1> ก็ยังไม่ให้มือจับ <Yeah. S 1> ถามกลับว่าเช็คแฮนด์ทำไมโอ้ yeah. oh, <Yeah. S 1> เราได้เจอกับคนที่เราควรจะได้รู้จักแล้ว <Yeah. S 1> ท่านจะอยู่ที่นี่อีกนานไหม <Yeah. S 1> ทำไมล่ะ <Yeah. S 1> เราจะไปพาพ่อของเรามาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยฝ <Yeah. S 1> รั่งคนเนี้ย แล้วก็หลวงพ่อพูดว่าเนี่ยคุณนะเรียนรู้ออกไปนอกโลกแล้วถึงดวงจันทรนะ์วิชาการต่างๆศาสตร์ต่างๆเกิดขึ้นมานะแต่คุณไม่เคยรู้สึกตัวพ่อก็สอนฝรั่งคนนั้นนะแล้วฝรั่งคนนะั้นตอนที่หลวงพ่อกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะก็เอาเครื่องคอมพิวเตอร์นะให้หลวงพ่อมาเครื่องหนึ่ง สมัยนั้นเมืองไทยยังไม่รู้จักเลยคอมพิวเตอร์นัดป่าส่วนตัวมีคอมพิวเตอร์ตั้งนานแล้วทำไมนั้นในเมืองไทยยังไม่รู้จักกันเลยคอมพิวเตอร์ดูสิทัความรู้สึกตัก medi, วเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้รู้แล้วอยรู้เรื่องอะไรเสียเวลาชีวิตจริงๆถ้าสุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีมีประโยชน์อะไรไม่ยนเลยเลยสุขภาพจิตดีกายไป็นไรปล่อยมันรอด แล้วเดี๋ยวไทยสุทธิไคจะดูก็ดูเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยรักษากันก็แล้วกันเป็นสมบัติของคนทุกคนหลวงพ่อเขียนจึงมีเจ้าของเยอะนะเจ้าของหลวงพ่อนี่เยอะเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองกันหรอกแล้วแต่คุณจะลิขิตแล้วแต่คนมีปัญญาก็จะพาให้ชีวิตของเราลอดต่อไปยาวๆเรื่อยอายุสั้นอันนี้ยก็ขึ้นอยู่กับชาวพุทธทุกคนนะคัพ้นการดำเนินชีวิตมันอยู่ให้เขาเลี้ยงง่ายะ ไม่ขนไกวถ้าขนขไกยก็ขวนข ว, า ย, ขนขวายการงานที่ชอบคือบอกคนสอนคนนี่ยแหละชอบที่สุดแล้วว่าไหมว่าไหมยอมเห็นด้วยไหมจะพูดเรื่องอะไรกันพากันถามสิ่งเนี้ยเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้พาทําเพราะว่าอาตม า, า, าพาทํามบ่อยๆเขาบอพารูกนี้ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ยกมือยังติดรูปแบบเลย อาวะก็ชอบเถียงว่าทําไมเขาเรียนจบแล้วก็ามาสอนนุบาลไม่ได้ไงใช่ไหมโยมครูนุบานเนี่ยจบนุบานเนี่ยเขาจบอะไรเน่ะแต่ทําไมเขามาสอนนุบานคุณไม่รู้อาวะก็เลยเอาละจะเอาลูกปั้นสิบสี่ขวามานั่งยกตากแดดตากฝนให้ดูตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเลยไม่ต้องมาคนยกก็ะดาเอาลูกปั้นจะได้รู้ว่าสิบสี่ขวามันมีผลจริงๆ เมื่อไหรเราเห็นความคิดรู้ทันความคิดมนั้นโอ้โหประยโยชน์สูงสุดเ้ะชีวิตเปลี่ยนไปเลยปัญหาความทุกข์ต่างๆที่มเคยมีเคยกระหน่ำประเดประดังยิ่งคิดยิ่งดิ้นยิ่งรัดมหายไปไหนไม่รู้หรอก <Inst a. S 1> มันเกิดกระบวนการเรียกว่ากฎของกรรมฐาน <thế. S 1> ที่มันเป็นปฏิยาพกผันภายในตัวของเราเองเพียงแค่เรามารู้สึกตัวแต่ใ น, นรเรื่องอื่นมันจัดระเบียบให้เราหมดนั่นแหละ ไม่ต้องมายุ่งอะไรกันเลยไม่ต้องปรารถนาอะไรทั้งนั้นละแค่ว่าเคลื่อนไหวรู้สึกให้เป็นนะทำได้ไหมทาได้ไหมเนี่ยแหละเก็บอารมณ์เข้มในรูปแบบนอกรูปแบบเวลาไหนเวลาไหนจะเช้าจะสายจะบ่ายจะค่ำจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะชุดไหนก็ตามไม่เกี่ยวไม่ต้องรอมาวัด ไม่ต้องรอกลนหัวคนหิวนูวผมผ้าขาวว่าเหลืองไม่ต้องกิเลสไม่ได้เลือกชุดกิเลสไม่ได้เลือกชุดจริงๆไม่ได้เลือกสถานที่ความทุกข์ไม่ได้เลือกชุดไม่ได้เลือกสถานที่โยมว่าจริงไหมเวลาจะโกรธมันเลือกชุดไหมเวลาโกรธชุดไหนไปเลยนะมันโกรธได้ทุกชุดใช่ไหมเวลาจะรู้สึกตัวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชุดก่อนมาวัดป่าสุตโตชุดขาวแล้วจะทันกิ่นไหมโยม ถัดกินไหมให้แทนก่อชุดไหนกันชุดนั้นน่ะมันหลงชุดไหนกับร่มชุดนั้นน่ะมันหลงที่ไหนอะ่ะไม่เกี่ยวตำหลงที่กายกับหากา ย, ยมันหลงที่จิตกระดูมันเนี่ยถ้าดูเป็นมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่าเรียนตามพ่อก่อตามครูนะ หลวงพ่อเขียนฝ่าท่านจะนอนเอ ก, กนเนกสบายใจท่านทําอะไรมาเคลื่อนไหวซจนพูดแล้วพูดอกีกนะดูกายมันก็ต้องเห็นจิตนั่นแหละสิ่งเดียวกันไม่ใช่ว่ามาดูกายไม่ดูจิตหรือดูจิตไม่รู้จักกายไม่ใช่มันดูกายก็ต้องเห็นจิตเพราะว่าจิตมันตรงไหนกน็ตรงที่กระทบสัมผัสฮะอยากรู้ว่าจิตเป็นไงเอ้าคุณกระทบเสียคุณก็เห็นแล้วว่าเออนั่นแหละคือความรู้สึก จิตมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแหละทําไม่อยู่ตรงความรู้สึกที่กายมันก็ไปแล้วคิดอดี๋ยนาคตอยู่กับปัจจุบันหลงปัจจุบันก็มีมันไม่ใช่หมายถึงว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วไม่ทุกมัใช่มันก็ทุกอยู่กับปัจจุบันก็มีแต่เพียงก็ว่าเบื้องต้นนะปัจจุบันทาไม่เห็นนะเดี๋ยนาคตเห็นอดีตก็ผ่านนดี๋เห็นนาคตก็ผ่านอนาคตแล้วก็เห็นปัจจุบันก็ผ่านปัจจุบันไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเอง แต่ว่าลักษณะนี้เป็นเรื่องของพัฒนาการเมื่อเราเดินเริ่มต้นที่จะเหมือนกับว่าทำเหตุให้ถูกผลมันก็จะพาไปกับมันเองพัฒนาการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคุณจะเชื่อไม่เชื่ออันนั้นก็ไม่เกี่ยวจะเป็นอะไรมาก็ไม่เกี่ยวเพราะนั้นคิดว่าพรุ่งนี้นะ มากันดีแล้วทั้งพระทั้งโยมที่สลาหน้าจะไปพายกมือสิบสี่จังหวะจะไปพายกนิมนต์เวลาวันนี้ดีจะมาอย่างไรก็ตามเถือว่าหลงก็มาในร้านที่ชื่อว่าวัดป่าสกุโตเดี๋ยวไปปิดการขายเย็ดเยียดกรรมฐานดีไหมดีไหมโยมเรียก ว, ว่าถ้าไม่มาสิบสี่จังหวะก่อนเดี๋ยวจะไม่แจกยา ไม่ได้ยาไม่ได้ขวดดีทอขวดหลาเนี่ยให้ยกมือสิบี่จังหวะก่อนแล้วก็แจกยาได้ข่าวว่าพระก็มาสูบุรีกันฮึ่มฮึมฮึมฮึ ม, มอยู่ที่สลาไก่ใครเห็นแช้ไม้ปลาหัวทเทงเนะียพระกับพระเออนะบอกพระอาจารย์ทรงสินสั่งไม่ได้พูดให้เป็นวิจีกรรมนะแต่พูดได้เหมือ น, นว่าเฮ้ยที่นี่คนก็ไม่ยอมรับสูบุรี ถ้าลำพังพูดกันคนเดียวก็เป็นที่ลังเกียจละเพื่อนงใครพูดมากมากเป็นที่ลังเกียจอะไรก็ น, นั้นนะแต่ถ้าพูดเหมือนเหมือนกันใจเฮ้ยสูบบุหรี่มดีที่ไหนพระที่นี่ก็ไม่จุดทูปนะทะําวัดสวดมนต์สามดอกท่าบุหรี่ตวงใช่ไหมละ่ะทูปสามดอกท่าบุหรีนะ่หนึ่งบวรน่ะนี่เล่นบุหรี่หนึ่งบวรนี่โอ้เราก็ซวยบุหรี่มือสองเป็นโทษมากกว่าเราสูบเองนออั่นเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ หักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอสถาบันจุลาภรณ์ส่งเอกสารมาที่วัดตาสุโกโตช่วยกระนลนลงหน่อยเรื่องทูบเรื่องเทียนเนยบุหรีพ่พวกนี้อย่าให้มีวัดเป็นศาสนสถา น, เ, นเอามาก็มกักจะบอกว่าพระที่ลงสารพิษน่ะถ้าสูบบุหรี่ไม่ลองล้างพูดขนาดนั้นน่ะเวลาออกไปข้างหน้าแล้วก็ ตอนนี้มันไปเปิดงานก็นจะพูดเพราะว่าสิ่งเสพติดนี่เพอเสพ จ, จึงติดเพราติดจึงอยากก็อยากจึงเสพเราก็เลยไม่ได้สนใจนะชากาแฟหมากเมี่ยงต่างๆไม่สนใจเราพยายามที่จะเหมือนกับว่าลดละเลิกของหยาบบุหรี่สิ่งเสพติดต่างๆให้มันเหลือเสพติดความรู้สึกหน่อยได้ไหมถ้าจะเสพนะเสพความรู้สึกตัวนี่แหละ ทุกๆวินาทีรู้สึกรู้สึกเอ็มติดเทนะผมติดความรู้สึกตัวแล้วอะนิมอะไรจะเกิดขึ้นนะไปไหนมึงก็รู้เนื้อรู้ตัวดีมีแต่ตัวเราเนี่ยละ่ะมีสติสมัมปญญะสติคือรู้รู้สมัมปญญาคือรู้ตัวทั่วพรอมานะมันเคยมีสติตามสัญ ญ, ญาณาออกไปรู้เรื่องนะั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นตอนนี้มันมารู้ตัวเองลเนนะเอียน่ะวิธีคิดก็เปลี่ยนไปน วิธีพูดก็เปลี่ยนไปการกระทาก็เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเพราะว่ามันไม่ใช่ทาเหมือนกับที่เคยทาความคิดสั่งแต่สติปัญญาสั่งดีแม่งี้ดีไหมเพราะนั้นอยู่ในสังคมชุมชนเนี่ยนะดูหลวงพ่อเป็นหลักไว้ดีท่านจะพูดให้สบายใจวันทีท่านก็สอบประลมนักบตชดีดีมันสุขก็รู้ว่านะอย่างเงี้ย บางคนปฏิบัติธรรมท่านดูออกอยู่หน้าตาแบบนั่งอย่างเงี้ยนะยกแล้วจะนั่งยิ้มเอาเลยนักไทำหน้าเฉยๆได้ครูบาอาจารย์ท่านรู้หมดแหมข้างในกำลังสุกหนอสุกเนา อ, อย่างนะบางทีก็เดินยิ้มเออสุกหนอสุกหนอสุกหนาะสุขก็ไม่เอานะอารมณ์สุกรู้มัน หรือไม่ไม่ต้องไปใส่ใจมันเลยกลับมากระทบสัมผัสรู้สึกจืดๆตัวนี้ดีกว่าจนความจืดๆไปลบในตัวความสุขฝ่ายบวกวนะฝ่ายกุศลฝ่ายบุญมันเป็นลบเหลือแค่สภาวะกลางๆจืดๆธรรมดาธรรมดาดีตัวนี้ความรู้สึกที่ฐานกายแก้ได้ทุกอารมณ์ก็จึงเป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็ไม่เบื่อเรื่องความรู้สึกตัว หลังจากจากที่ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเขียนดันพูดแล้วเราก็มาทำต่น้าก็ติดความรู้สึกตัวเลยเหมือนกันมันมันมีความรู้สึกเลยบางทีมันสลดตัวเองสังเวชตัวเองเวลานั่งปฏิบัติเนี่ยมันมีเรื่องราวต่างๆเรื่องร่างกายของเราเนะมาให้เราได้เหมือนกับปลงมันมันสงสารตัวเองเนะเวลาปฏิบัติมันไม่สงสารใครก่อนหรอกมันสงสารตัวเองก่อน นั่งเดินยืนนอยมันทุกข์บางทีเน่ยเวลาปฏิบัตินามาชอบอยู่คนเดียวปฏิบัติที่เชียงดาวหรือว่าที่ทำตุ๊ปู่มันมีคข้างเข่าเยอะมากเลยนะเวลานอนเนี่ยจะหลบนอนเพื่อนๆเยอะเงี่เราจะไปหลบนอนอยู่คนเดียวอะโยมข้างเข่ากัดกลางคืนเน่ยเราไปนอนฝังทางก็กัดคล้ายๆกับปลุกเราอะยามกเกยกะ บินเข้าบินออกลาบากปากทําสัตว์พวกนี้กัดแปลกมากเลือดจะไหลไม่หยุดเราก็มาสงสารตัวเองโอ้เนี่ยนอนกลาคืนข้างเข่ากัดนมันก็เจ็บขนาดนี้เลือดไหลขนาดนี้เด็กขนาดนี้ช่วยตัวเองยังไงถุงเท้าเนี่ยชุ่มไปด้วยเลือดมันไหลไม่หยุดเดินกระเพกกระเพกไต่ลงมา อยากทำลงมาหาที่แคมป์ที่เพื่อนก็อยู่กันมันได้ประสบการณ์ดีนะมันเห็นใจตัวเองทันที่จะไปโกรธข้างข่าวนะมันเห็นเออแปลกพอเรารู้สึกตัวนยะข้างข่าวกัดมันเจ็บแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไปว่าข้างข่าวมันก็ดูแลตัวเองว่าจะทําไงต่อไปดีดีศรัทธาลาสิ่งห์ไปไปม า, มากลายเป็นว่าเราเราสงสารเขาด้วย แล้วเราผิดเองเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเราไมไ่ไปโทษคนอื่นเออเราผิดเองเราผิดเองพแฉะนั้นก็เกิดหลายหลา ย, หลายอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปแก้ที่คนอื่นเดี๋ยวนี้มันแก้ที่ตัวเรานะแต่อย่างที่ยกตัวอย่างบุหรี่เมื่อกี้อันนั้นก็คือวิธีรักษาภาพเฉยมาวัดวาอารามพระสงฆ์ก็ควรกอ่อศรัทธาเพราะว่าพระที่มาที่นี่ญาติโยม บ, บางทีไม่รู้นะว่านว่เป็นพระที่นี่ด้วย ว่าสอนปฏิบัติธรรมกันยังไงแล้วก็ยังเรียกว่าไม่ละชั่วแล้วยังไม่ทำดีมันอย่าไปพูดถึงตัวชำระจิตให้ขาวรอบเลยเสียเวลามือถือสากปากถือศีลมันเสียเวลาศรัทธาไม่เกิดอันนี้เรียกว่าการสร้างภาพจริงๆก็เลยว่าช่วยกันช่วยกันพวกเราก็สร้างภาพนักกบัฐานก็คือไม่วไหวั่นไหว เวลาปฏิบัติพยายามที่จาเหมือนกับว่าปกติมากที่สุดแล้ะเห็นจิตใจที่มันทรงทรงตั้งมั่นอยู่เป็นปกติรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะมีมานที่ชวนให้เราหลงหลายอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกโดนข้างข่าวกัดอันนี้นก็เกิดคันตามานขึ้นมาเรามีรูปร่างของเราเวลาเจอสัตว์สาลาสิ่งเจอเศษไม้ตําหนาวๆนาร้อนๆมันก็เกิดมาน จนทเราออกจากนอกรูปแบบทันทีในรูปแบบเราก็ไม่ทํามันกลายเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนผ่อนคลบันเทาแก้ไขมากมายแต่ว่ากรรมฐานเข้มลองผ่านนะก็คือใช้ความสึกตัวจนหมดเวลาจริงๆอย่างงี้นะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเคยว่ากันอีกทีนะเคยทําครั้งหนึ่งตอนที่ทํากรรมฐานอยู่นี่ละไม่ต่ำเท้านะครั้งที่2เป็นหนองนะ่ะ อาตมาก็เป็นหนองก็ไม่ได้สนใจอะไรมันนัจะว่าไม่ทําแผลเพราะว่าไม่รู้ก็ไม่ใ่รู้อยู่ตามอยู่ที่ส้นเอตตุลมนะตัวนี้เสร็จแล้วแผลมันก็อักเสบขึ้นอักเสบขึ้นแล้วก็ดูว่าเราปฏิบัติมาเรามีศีลไหมในสายตาของคนอื่นก็เห็นเนี่ยเาจะร้อนไหมถ้าเขาร้อนแล้วก็จะทํำยังไงก็จะต้องเป็นฝ่ายดํำริแต่เราไม่ใช่ดำํำริที่จะออกไปทําแผลแล้วไปหาย า, ยา ตาคือตายอย่แล้วพอคนก็มาเห็นครับครับเขาก็พระด้กันนะนะก็บอกให้ไปทําแผลเออเราก็เชื่อครับเราก็ไปทําแผลเราลองดูจะทําตามเหตุตามปัจจัยเราจะไม่ได้ทําตามใจของเราเนี่ยขันธมารมันก็ผ่านด่านขันธมารกายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บนะกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยตัวนั้นนะอีกตัวก็คืออภิสังขารมาน เราไม่ดำริที่จะคิดอะไรทั้งนั้นนอกจากรู้สึกตัวถ้ามันมามันคิดนะอภิสังขารมาันมันคิดยังไง ร, รู้ไหมเฮ้ยเรามาบวชเรามาปฏิบัติสึกไปจะทําไงเนี่ยนี่กระเป๋าฝากหลวงพ่อไว้กล่าว่า2ปีเนี่ยศึกแน่ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาเวลาฝากกระเป๋าไว้ในเวลาบวชเราฝากกราหลวงพ่อเนี่ยแหละฝากอาจารย์ของเราเนี่ยแหละพอสอปีไม่รู้เนี่ยจะเปลี่ยนผ้าสึกไปเลยปรากฏว่า ตอนที่มันปฏิบัติเข้มเนะี่ยมันคิดนะถึงอาชีพโอ้ตอนนี้เราไม่มีอาชีพอะไรเลยนะตอนนี้นี่บวชขอเขากินพอคิดถึงน้นตาซึมเลยนะนี่เรามือตีนดีดๆมาขอคนเขายากจนเันเลยคนแต่ละคนเนี่ยโยดูขาดูแขนเวลาเขาใส่บาตรนนะีดำปีเล็บกระดำตีนกระกลางโอ้เาลำบากเขาทุกข์นนะดูสภาพบ้านเนี่ย แล้วก็ใส่บาตรให้เรากินนี่น้ำ ต, ตาเสริมเลยนะธรรมาเนี่ยมันปรุงขณะปฏิบัติเนี่ยปรุงมันฝ่ายแบบเนี้แหละจะทําอาชีพอาชีพอะไรใหม่รู้เรื่องอะไรมั่งชีวิตเรียนรู้เรื่องอะไรมาทําอะไรเป็นมั่งออกไปสมมติว่ามีเสื้อผ้าใส่เลยจะแก้ผ้าเดินออกไปเลยมันคิดแบบนั้นเลยนะโดยที่มันจะใช้ชีวิตรอดแล้วกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงคือคิดแบบไม่เอาอะไรแล้วคิดแบบ มันก็ว่าชีวิตมันหมดสิ้นแล้วถึงมีที่ก็ไม่ใช่ของเราถึงมีบ้านก็ไม่ใช่ของเรามีทรัพย์สินสิ่งการมีอะไรก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะมองแบบตัวเองเหลือศูนย์จริงๆโปร่งไหมมันโปร่งนะนะให้กลับมาที่ความรู้สึกตัวมันกลับไม่ได้มันปรง่งมันสลดตัวเองสังเวทตัวเองอภิสังขารมานันมันจะโปร่งไปสองแบบนะปุญญาที่สังขารกับปุญยาที่สังขารคือปรุงแล้วเป็นบุญ เป็นลนักของกากินตามเนี่ยมันยาแล้วปุลแล้วเป็นบาปอันนี้คือเป็นลนักษณะของการเผยหลวงตามนิสัยจริตต่างๆจะเป็นส่2ตัวเนี่ยเราเคยเป็นพื้นจิตยังไงมารับรองได้เลยขณะปฏิบัติกรรมฐานมันต้องมาตาม่อเมโสปุเพรกระต่ายเหตุตัวสุขทุกขังนิคัตจติโปราณกลางกระตางปาปงตเมมหรุจีดังเนี่ยขณะนี้เรากําลังเกิดความสุขความทุกข์เหตุ เคยทำดีทำชั่วบุญบาปมาแต่ก่อนโบราณกังกระตังปาปังการก่อนให้ชื่อว่าประดุษบา้าเรากำลังใช้นี่ชนี้เพราะแน่นอนที่สุดเวลาปฏิบัติหนี่กรรมมันต้องอแสดงออกมา้าลองอยู่คนเดียวได้เห็นชัดมากอภิสังขารมานนะเทวปุตตมานฝนตกอย่างเงี้ยจะเห็นแล้วเทวปุตตมานมาบ่อย มันจะนอนยังไงเคยนอนสบายเห็นกุฏิสบายอยากเข้ากุฏิอาตมาในกระดากใจเลื่อรู้สึกกระดากใจเห็นเพื่อนนอนกลางดินกินกลางทรายกันเราอยู่กุฏะโก้ยังกังวังอยาโยมอยากให้อยู่อย่างนั้นเดิมทีก็อยู่แบบมอสสิบปีสร้างกุฏิให้ยังกังวังปรุ ง, รงแต่งแต่งยังเป็นวิมานเออเห็นแล้วก็อเนีร น, นาดอยากอยู่มัออ้ย แต่คิดอีกทีโอ้ดีแล้วก็จะได้ผ่านตัวเทวปุตตมานอย่างงี้นะก็คือเคยสะดวกสบายอินทรีย์ลูกคุณหนูมาเวลามันจะเกิดการเห็นความคิดบรรลุธรรมเนี่ยใช้อินทรีย์ลูกคุณหนูไม่ได้อาจจะต้องเป็นติดดินหนืองที่โอเจ้านั่นแหละนะนวดคนไม้นวนกองฟางนวดเรือนว่างเราเคยทําแบบนั้นมาเหมือนกันนวดธรรมนวดป่าไปนั่งตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มั่น เทวปุตตมานเป็นลักษณะของความสะดวกนะมัจจุมาลนะตัวนี้ล้ายหน่อยมันจะมาในคราบของความกลัวทุกชนิดนะคุณจะกลัวอะไรก็ตามอะลากไปยาวๆก็คือกลัวตายนะไอ้ชั่วกลัวบาปก็คือกลัวตายจากความดีนะฮิลิโอตปาะฉั้นตัวกลัวมาเนี่ยถือว่าดีนะนะดีทะเลาะมีสติหยิมาไอ้ชั่วกลัวบาป กลัวที่จะกลับไปทุกข์เหมือนเก่าเก่านะอันนี้ไม่แปลกแต่มีสติตัวกลัวไม่ใช่บวกหรือลบนะแต่ถ้าความหลงมันกลายเป็นกลัวผีกลัวจั๊ดจ้าลาสิ่งนี่คื อ, คอมัจจุมานกลัวตายกลัวเหลือไม่เท่าเก่าเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีระหว่างกรรมฐานเข้มกับคอร์สล้างสารพิษเลือกให้ดีบางคนกระโดดไปคอร์สล้างสารพิษแล้วก็ไปเลยไปล้างสารพิษเอาเรื่องสุขภาพกายก่อนแต่ถ้าใครคิดว่าตายช่างมัน เป็นอะไรให้เป็นใชมันจะผ่านด่านใ้ของมัจจุมานนะด่านกลัวตายนะกลายเป็นการบรุธรรมตัวกลัวนี่จะละเอียดแล้วก็กลายเป็นเรื่องของสติปัฏฐานที่จะต้องไวและคมเหมือนกันว่องไวเป็นไวพิปฏิพาลราเห็นตัวกลัวท้ายสุดก็คือให้มันจบชาตินี้ใช่เพราะชาตินามเกิดมาจะเป็นมนุษย์เป็นคนหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจ แล้จะได้ปฏิบัติเกิดประเทศไหนในโลกนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวไปก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มีโอกาสอยู่แล้วเจอครูบาอาจารย์เจอกรรมวิธีในการปฏิบัติเจอหลวงพ่อเขียนซึ่งหาได้ยากที่มาบวชที่นี่เพราะว่าบุคคลอย่างนี้หาได้ยากหลังเขาแห่งนี้สิ่งที่หาได้ยากคือหนึ่งอากาศสบายไปหาที่ไหนได้ในโลกใบเนี้อากาศจะสบายเหมือนกับที่นี่ไม่มีมาเมื่อแล้วอากาศก็สบาย สองก็คือนะมันมีป่าที่เป็นป่าแล้วดูดีๆนะป่านี้ถึงไม่มีข้าวกินก็อยู่ได้ไม่ตายหรอกใบไม้กินได้หลายชนิดดูดีๆพืชกินได้ไม้เป็นยานี่หมอกกระพระป่ามากต่อมาก็คือน้ําที่นี่ไม่เคยขาดอยู่มาสิี่ปีไม่มีแรงที่อื่นนั่นน้ำไม่มีกันบ้างมากมายเหลือเกินแต่ที่นี่เนี่ยโหน้ํามีตลอด และที่สําคัญที่สุดคือชาวบ้านรอบๆบ้านไหนะเขาอยู่อย่างธรรมชาติที่ไหนมีทุกข์ที่นั่นมีการบรรลุธรรมลองไปดูพระเจ้าบรรลุธรรมในพะุทธกยานะที่ลัฐวิหารรัฐวิหารของอินเดียซึ่งถือว่าเป็นรัฐที่จนที่สุดในประเทศอินเดียขอทานมากที่สุดในโล ก, กอยู่ที่นั่นรนะัฐวิหารเมื่อมีทุกข์มันก็มีการพ้นทุกข์อยู่ตรงนั้นนะพระเจ้าออกจากทุกข์ได้กับตรงนั้น คนที่ขี้เละที่สุดไม่สวยที่สุดอยู่รัดเนี่ยดูสิเพราะนั้นที่นี่ถือว่าเหมาะมากทีมขั้ที่สุดสิ่งที่หาได้ยากบุคคลหลวงพ่อคขาเขียนจะหาบุคคลอย่างเงี้ยได้ที่ไหนทรัพย์กรมนุษยทรกรบุคคลถ้า ม, มามีควเชื่อแบบนี้ยละอย่าไปเชื่อตามอัตมานะแต่ส่วนตัวเชื่ออย่างนี้แล้วเราได้ประโยชน์จากท่านท่านชี้อะไรเราก็นํามาทรรําช่วงนี้ท่านชี้ว่ากรรมฐานเข้มสี่บวัน แต่มาก็เข้มแบบอาตมาก็คือใช้นอกรูปแบบว่าอาตมาเดินไปเนี่รู้สึกตัวแล้วก็มาได้ไปคุกคีกับใครอยู่ส่วนตัวส่วนตัวของตัวเองมีอะไรต้องทําก็ทําให้มันจบจบไปหน้าที่การงานมันก็เห็นความคิดดูความคิดเป็นมาดูเป็นแบบนั้นมันก็ได้ทําประโยชน์อย่างนั้นเราก็จึงชวนกันไปทิศทางเดียวกันก็คือ เบื้องต้นกรรมฐานฐานที่หนึ่งคือให้เห็นกายในกายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาสองก็คือให้เห็นเวทนาในเวทนาไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาต่อมาก็คือให้เห็นจิตดูยากนะจิตนะก็คือตัวคิดนั่นแหละหรือว่าตัวรู้สึกนั่นแหละคือตัวจิตเหมือนกันโดยให้ดีนะกายแลวิญญาณนะที่ผลิตวิญญาณกายหรือระบบประสาทกายที่กระทบสัมผัสรู้สึก มันก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตเหมือนกันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่ว่าต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่ประเสริฐคราวนี้การเคลื่อนการไหวนะเราไม่ใช่คนตายกายกับจิตมันก็อยู่ด้วยกันน่แหละกายวิญญาณมโนวิญญาณอยู่ด้วยกันธาตุรู้สัมผัสรู้ความรู้สึกเน่า แ, แน่นกันตัวนี้ฝึกตัวนี้เมื่อดูกายก็ต้องเห็นจิตเียมันจะไปเห็นจิตแต่จิตแบบไหน ถ้าดจิตที่มันอยู่กับกายรู้สึกอยู่กับกายเนะ่ยเดี๋ยวจิตคิดมันก็รู้ก็รู้สึกได้เหมือนกันนะแต่คนไม่ได้เรียกว่ารู้ให้มันตรงตามขั้นตอนระดับปฐมแล้วก็มัธยมอุดมไม่ได้รู้เป็นขั้นเป็นตอนเราก็จึงต้องรู้เป็นขั้นเป็นตอนจ น, นเห็นธรรมชาติธรรมชาติธรรมอารมณ์ก็คือเวลามันสุขบรรทุกเกิดขึ้นมา กุศลธรรมอคุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นมาเช่นง่วงไหมนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัตงงิง่วงไหมง่วงไหมไม่ง่วงแล้วเนาะง่วงไหมเออกันน่ะฐานธรรมนิวรธรรมฐานธรรมมันเกิดขึ้นมาหลังเลสงสัยไหมมีการมีปฏิบัติความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมาบ้างไหมนั่ฐานธรรมทั้งหมดเลยธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอคุศลโล่งโปร่งเบามีไหม เดินไปเดินมาโล่งขึ้นมาเบาปุ๊บขึ้นมาสงบเกิดขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นมาเป็นฐานธรรมทั้งหมดเลยโอ้ยใจพูดอะไรอีกเนาะมันก็อยู่ในความรู้สึกตัวทั้งหมดเลยแล้วมันจะถูกตรงไหนมันจะผิดตรงไหนถ้ามันจะผิดก็คือคิดไม่เป็นถ้ามันถูกก็คือมันรู้สึกตัวเป็นนะถ้ามันจะผิดก็คือนะยังไม่เกิดศรัทธา จะไม่เกิดศรัทธานในรูปแบบการปฏิบัติยังไม่ศรัทธานในตัวของครูบาอาจารย์มีอยู่แค่นั้นขาดกรลยาลมิตรขาดโยนิโส ม, มนัจการการไข้ควรอย่างแยบคายวันคืออะไรขาดข้อมูลทำให้มีน้ำหนักแล้วก็จะลงมือปฏิบัติลงไปแบบถึงไม่เชื่อก็ต้องทำคล้ายๆกับว่าเออวิสัยบัณดิตไม่เชื่อไม่ปฏิเสธก็ทาลงไปเดี่ยวมันก็เหมือนกันนแบบั่นแหละ ความรู้สึกตัวมันก็จะพาเราไปตามกฎของกรรมฐานต่อไปนะแต่พัดันชวนการชวนกันเจอกลุ่มล้างสารพิษก็ชวนมาทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะทําวัดเย็นก็จะทำกันที่โน่นทำวัดเย็นออมาก็จะไปพาเขาทำที่โนนตั้งแต่พุ่งนิ่มต้นไปจะไม่ปล่อยหรอกส่วนทําวัดเช้าก็จะชวนก็นมาทําที่นี่ด้วยอย่ามาอ้างว่าดีท็อก ามาทําให้ดูทุกครั้งเวลาล้างสารพิษามาเช้ามาเย็นมาเช้ามาเย็นดืม่มน้ํามันมาก่อก็เห็นมีปัญหาอะไรเลยก็ดืม่มก็เช้าก็ยังมาทําวัดส่วนบันเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะถือว่างานหลักของเราก็คือจะต้องเกี่ยวข้องลักษณะ ข, ของชุมชนเขามีอะไรเราก็ทำตามตา ม, ตามเข้าไปจะได้ไม่แปลกแยกและท้ายสุดคือ ทำไม่ชอบทีหลังก็ไม่มาอีกต่อไปเพ mm hmm. ถือเพอถือว่ามันไม่มีประโยชน์เราคิดว่าจะไม่ไปไหนหรอกถ้าเราสรุปแล้วว่าบัดป่าสุกตอมีอาการต้มตุลหลอกลวงกันแล้วพระหลวงพ่อครูบาจารย์ไม่แต่พูดอะไรก็ไม่รู้เข้าข้างตัวเองถึงตรงนั้นแล้วก็แสดงว่าก็เดินกันทางแยกเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นอสุรกายเป็น อบายภูมิมันเจะไปเทวดาไปพรหมมันเจะเป็นพระแต่ท้ายสุดถ้เป็นพระแล้วเราจะเห็นว่าทุกวิธีการนี่ถูกทั้งหมดนะถ้าทําของเขาถูกนี่ถูกทั้งหมดเลยทุกๆร้านอาหารเนี่ยเขาทําอาหารของเขาอร่อยแต่ว่าเหมาะ ก, กับลิ้นเราหรือไม่ถ้าไม่เหมาะเราก็ไม่ไปกินอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันนี้ก็พูดให้ฟังสําหรับหลายๆคนที่มานั่งอยู่กันหลากหลายอารมณ์ในวันเนี้ยทั้งแก่อารมณ์เข้มทั้งที่เพิ่งเข้ามา จะล้างสารพิษนะทั้งที่เคยปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติหลายๆที่มันเป็นอย่างนั้นก็พูดตามนิมิตีเห็นกับอันนี้แห ล, นะละ阿拉เห็นว่าสมควรเก็เวลาก็ขอให้ความดีของเราทั้งหลายนั้นหรือว่าการมาวัดมาวางของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อการทําที่สุดแห่งกองทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารในนิพพานโดยทั่วนาการทุกท่านทุกคนอันเติม